ผีหมายถึงซากศพของคนที่ตายแล้วรอวันเน่าเปื่อยก็เรียกกันว่าผีนะคะบางคนค่ะก็เข้าใจนิยามของคำว่าผีคือวิญญาณที่ออกจากร่างคนที่สิ้นใจแล้วเร่ร่อนไปเรืเร่อยนะคะปรากฏตัวหลอกคนโน้นทีคนนี้ทีแบบนี้ก็เรียกผีเหมือนกันนะคะผีไม่ดุคือผีตายธรรมดาค่ะ เช่นป่วยตายเพราะโรคอ่าเพราะโรคร้ายแก่ตายเนื่องจากสังขารร่วงโรยไม่ไหวนะคะตายแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผีเย็นผีไม่ดุผีดุที่สุดก็คือผีตายโหงค่ะอาทิอาทิเช่นว่า เป็นผีที่ถูกยิงตายข้าตัวตายรถชนตายโดนแทงตายเหล่านี้เนี่ยเป็นผีที่แรงมากนะคะเป็นผีที่มีความอาฆาตและก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดค่ะเรียกว่าตายก่อนกำหนดตายผิดธรรมชาติเพราะว่าย ม, มาบาลเนี่ยเปิดบัญชีหนังหมาหาชื่อไม่เจอเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาตายแต่ว่ากรรมมาตัดรอนก็เลยตายแบบไม่มีสตินะคะหรือตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะ ตายในขณะที่จิตใจตกอยู่ในภาวะตื่นเต้นตระนกและก็พลั้งพึงสุดขีดเลยปล่อยไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยมาเอาวิญญาณละกันผีที่ตายแบบนี้เนี่ยจะหาทางกลับบ้านตัวเองก็ไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนวนเวียนอยู่บริเวณที่ตัวเองถูกรถทับตายโดนยิงตายหรือผูกคอตายใครที่ผ่านมาก็ปรากฏตัวเป็นกายาบให้เห็นนะคะเพื่อถามทางกลับบ้าน ถ้าโดนรถชนหัวขาดกระเด็นก็จะมาในสภาพเป็นผีหัวขาดบางทีก็เดินหิ้วหัวตัวเองมาด้วยนะคะบางทีก็เดินหาหัวตัวเองก็มีค่ะส่วนผีที่ถูกยิงตายนะคะจิตวิญญาณของเขาก็จะเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นบางครั้งนะคะก็ปรากฏตัวให้เห็นในสภาพเสื้อน่เต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานไปทั้งตัวผมเผ่ายุ่งเหยิงตาแดงก่ํา หน้าตาดุดันบอกบุญไม่รับเป็นผีที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวส่วนผีดุอีกประเภทหนึ่งคือผีที่ตายทั้งกลมนะคะอันนี้ดุมากๆกลายที่ผ่านไปยังหลุมศพของผีที่ตายทั้งกลมเนี่ยเรียกได้ว่าวิ่งกันป่าราบเลยทีเดียวนะคะบางทีนะคะก็จะเห็นนั่งเล่นไกวเปรยร้องเพลง่อมลูกใต้ร่มไม้หรือกลางแสนจันบางทีนั่งห้อยขาตรงกาแพงวัดก็มีนะคะ เวลาที่คุณผู้ฟังไปเผาศพเพื่อนสนิทหรือว่าญาติของตัวเองหรือแม้แต่คนที่คุณรักค่ะอย่าไปท้าทายบอกให้เขาไปเยี่ยมในขณะที่คุณเปิดโลงดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายชียวนะเพราะว่าโดยเฉพาะกับผีที่ตายโหงเนี่ยค่ะจะด้วยเหตุใดก็ตามสงวนคําพูดของคุณไว้ให้มากที่สุดอย่าเผลอใจพูดโป้องออกไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเช่นหลวงพี่รูปนี้หลวงพี่รูปนี้นะคะที่เราจะนําเรื่องราวของท่านมาเปิดเผยที่นี่ก็คือหลวงพี่สุรินทร์นะคะซึ่งหลวงพี่ สุรินเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดลาดชิดอำเภอผักไห่จังหวัดอนันยุติอาพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านก็บวชมานานเหมือนกันแต่ว่าจะ ก, กี่พรรษาก็ไม่ได้บันทึกบอกไว้นะคะหลวงพี่มีน้องชายชื่อสัเริิ์ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมือไวใจโคตรสักหน่อยหนึ่งเคยมานอนค้างกับพระสุรินที่วัดบ่อย ซึ่งต่อมานะคะสําเร็จน้องชายก็ได้เดินออกไปทำงานเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพงานที่ทําก็เป็นงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไปเนื่องจากว่าความรู้น้อยนะคะจะทํางานดีๆคงยากสักพี่ชายก็รู้สึกโล่งใจน้องชายรู้จักทำมาหากินนะคะถึงแม้ว่ารายได้จะน้อยหากรู้จักกินรู้จักใช้ก็คงอยู่ได้นะคะแต่เมื่อทําเป็นนานๆค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือหวังว่าจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าคนงาน มันก็ยังพอบองเห็นรู่ทางหรือว่ายังพอมองเห็นอนาคตอยู่หลังจากที่น้องชายเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพนานพอสมควรหลวงพี่ก็สังเกตพระที่วางอยู่บนพานเอ๊ะพระหายไปไหนหนาะสององค์องค์หนึ่งเป็นพระบูชาเนื้อแก้วสค่ะอีกองค์นึงเป็นพระเครื่องลักษณะสามเหลี่ยมเนื้อฐานลงพิมพ์หินนาปลไม่รู้ใครมาหยิบเอาไปเมื่อพระหายหลวงพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไง จะถามใครจะกล่าวหาใครก็ยาก่าไม่อยากจะทําหมืนะคะคือเราไม่รู้ตัวไงว่าใครเป็นคนทําก็เลยพูดไม่ออกเลยทําใจค่ะวางตัวอุเบกขาคือการวางเฉยซะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานานาไม่รู้กี่เดือนกี่ปีไม่มีในบันทึกอีกนั่นแหละนะคะจู่ๆวันหนึ่งหลวงพี่ก็ได้รับข่าวร้ายจากทางกรุงเทพค่ะ ว, ว่า นายสำเริงน้องชายของหลวงพี่นี่ถูกรถสถานทูตประเทศหนึง่งชนเสียชีวิตขณะกำลังทำงานศพกระตั้งไว้ที่วัดดวนแขที่หัวลำโพงนะคะแม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้ลงทุกอาปรงทุกอย่างแล้วก็ตามไม่ได้รับข่าวเช่นนั้นก็ย่อมตกใจแล้วก็เสียใจเป็นธรรมดาคุมสติแทบไม่อยู่ต้องทำใจหยุดพักหนึ่งโดยเอาหลักธรรมเข้าข่ม ชีวิตของคนทุกคนค่ะคุณผู้ฟังเกิดมาบนโลกใบนี้คืออนิจจงมันคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตา ย, ตายเป็นวัฏฏะสงสารเมื่อหลวงพี่คิดได้เช่นนี้นะคะท่านก็ทำใจได้เป็นปกติการตายของน้องชายเนี่ยคือจะเรียกว่าตายธรรมดาก็ไม่ใช่นะคะตายด้วยความเจ็บป่วยก็ไม่ใช่นะคะน้องชายตายเพราะถูกรถชนค่ะแบบนี้เรียกว่าตายแบบ เขาเรียกว่าตายด้วยอุบัติเหตุตายดูแบบผิดธรรมชาติคือไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ถึงอายุไขที่จะต้องเสียชีวิตคือตายโหงนั่นเองหลวงพี่จึงรีบเดินทางไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคดีความแล้วก็เรื่อ ง, องการเผาศพตามประเพณีนะคะท่านก็รีบจัดแจงบริหารเท่าที่จำเป็นค่ะเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับญาติพี่น้องทันที ก่อนจะทําการชาราักกิจหรือเผาศพน้องชายค่ะสับประเวรได้เปิดฝาโลงออกเพื่อให้พวกญาติญาติได้ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายพระสุรินที่เป็นพี่ชายเข้าไปดูเหมือนกับญาติคนอื่นๆสภาพศพของสําเริงนั้นยับเยินหน้าสลุดสำเวทเป็นที่สุดสําเรืองถูกรถชนอย่างแรงถึงกับคอหักแขนหักขาตรงหัวข่าหักเสื้อผ้าที่สวมใส่ ย, ยังอยู่ในชุดเดิมคือชุดทํางานชุดก่อสร้างเก่าๆสกรปรกมอมแมมเนื่องจากว่า ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ า, หาใหม่ให้ดวงตาสองข้างของน้องชายยังคงลืมอยู่นะคะเรียกว่าเบิกออกมาเบิกโพรงมาแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเลยแสดงว่าก่อนสิ้นใจเนี่ยสำเริงต้องมีความตกใจและก็ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างที่สุดเมื่อหลวงพี่สุรินหรือว่าพระสุรินเห็นเช่นนี้นะคะก็อดที่จะสงสารไม่ได้ก็นึกลงในใจนะคะได้แต่คิดว่าทําบุญมาแค่ดีนะสำเริงเมื่อหมดบุญก็ต้องไปตามเวรตามกรรมแห่งตน ในฐานะเป็นพี่ชายค่ะเมื่อเห็นสภาพของน้องชายก็อาจจะลืมตัวเผลอพูดไปต่อหน้าศพนะคะว่าสําเริงเอ๋ยถ้าวิญญาณของน้องยังวนเวียนอยู่แถวนี้ก็โปรดได้รับรู้ด้วยว่าอาตมาก็ยังเป็นพี่ของสำเริงแม้จะจากไปแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้ไปเยี่ยมกันบ้างนะนี่ไงคุณผู้ฟังหลุดปากออกมาจนได้เพื่อจะเตือนกันประโยชน์เมื่อกี้นี้เอง เหมือนวิญญาณของสำเริงน้องชายจะรับรู้ความรู้สึกของพระพี่ชายค่ะลมก็พัดวูบเข้ามาอย่างไม่มีปีมีคุยทำเอาคนที่อยู่บนเมนเผาศพเนี่ยมองหน้ากันหลึกๆักนะคะแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะปริตากพูดออกมาจากนั้นค่ะสประเริง ก, ก็ปิดฝาโลงแล้วก็นำศพเข้าเตาเตาผาไปตามประเพณีไปดีนะสำเริงนะหลวงพี่ก็อุทานอีกรอบหนึ่ง หลังจากทําการชาปน ก, กิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกญาติญาติของพระผู้เก่าญาติแล้วก็พระสุรินก็กลับอําเภอผักไทยจังหวัดอยุธยาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรือนของตนส่วนพระสุรินค่ะกลับวัดลาดชิดซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะพอท่านขึ้นกุฏิท่านก็จัดแจงเปลี่ยนสบงจีวันส่งน้ำไหว้พระสวดมนต์ก่อนจํำวัดด้วยความอ่อนเพลียเนื่องจากจัดแจงเรื่องงานศพของน้องชายทั้งวัน พระสุรินนอนหลับไปนานพอสมควรก็ตกใจตื่นเมื่อมีความรู้สึกนะคะว่ามีคนมาสะกิดที่ปลายเท้ามองออกไปนอกมุงก็มีแต่ความว่างเปล่าค่ะไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตในใจท่านก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมีคนมาสะกิดที่เท้าจริงๆแต่ว่าเพื่อให้เกิดความหายสงสัยท่านก็เลยลุกขึ้นไปเปิดมุ้งออกไปดูพร้อมกับจุดตะเกียงให้สว่างนะคะพอกจากมุ้งกําลังควานหาไม่ขีดที่จะจุดตะเกียงค่ะคุณผู้ฟังก็เหมือนมีใครคนนึงนั่งอยู่ห่าง อันที่จีงภายในกุฏินั้นเนี่ยมันมืดมากนะแม้ว่าจะเปิดหน้าต่างรับลมเพื่อที่จะคลายร้อนก็เถอะเพราะว่าในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดินแรมจึงไม่มีแสงจันทร์ส่องเข้ามาแต่ก็น่าแปลกใจนะคุณผู้ฟังที่อ่าหลวงพี่เนี่ยมองเห็นเงาตะคุ่มของคนคนนึงนั่งอยู่ในห้องแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดแต่ก็พอดูออกเลยว่าเป็นชายหนุ่มใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดําส่วนใบหน้าค่ะมองไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันเป็นมืดมื ด, ม, ด, ม, ดมัวม ว, มวพิกลอยู่รู้แต่เพียงว่า ชายหนุ่มคนนั้นกล่าวกำลังนั่งก้มหน้าเข้ามาได้อย่างไรประตูกุฏิก็ปิดลงก่อนแต่ชายหนุ่มคนนี้เข้ามาได้อย่างไรจะว่าเป็นโจรก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าเป็นโจรจะสะกิดเท้าเราทําไมถ้าไม่ใช่โจรแล้วจะเป็นอะไรก็เลยถามออกไปค่ะคุณผู้ฟังว่ายอมเข้ามาในห้องนี้ทําไมนี่เป็นกุฏิของอาตมานะผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นค่ะที่เป็นชายหนุ่มที่นั่งก้มหน้านี้ก็ไม่ยอมตอบคําถามแต่ว่าเงยหน้าขึ้น ก็คงมีเจตนาต้องการให้พระสุรินเห็นหน้าชัดๆนะคะแต่ว่าพระสุรินก็มองไม่ชัดอยู่ดีคุณผู้ฟังก็ลองคิดภาพดูแล้วกันว่าห้องห้องหนึ่งมันมืดแล้วมันก็เล็กรู้ว่ามีคนนั่งอยู่แต่ไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นใครเพราะมันมืดนะคะยิ่งเป็นวัดที่เป็นวัดแบบวัดวัดราดชศรีสมัยก่อนนะคะเมื่อย้อนไปสักปี223เนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีก็เป็นะตะเกียรน้ํามันนะคะซึ่งในขณะที่ถามนั้นพระสุรินเล่าก็บอกว่ามีความรู้สึกวันวัน นะคะขนลุกชูชันขึ้นมาอย่างปะหลาดใจแต่ว่าถ้าจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วละ่ะคือในใจของท่านก็แบบสั่นระลิกระลิกนะคะเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกว่าจะลุกขึ้นยืนก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนมีใครเอาหินมาทับขาไว้คือเนื้อตัวนี้มันชาไปหมดก็เลยรวบรวมสติแล้วถามออกไปว่าโยมเข้ามาในห้องนี้ทําไมก็มีเสียงแหบๆ แ, แล้วก็เบาวิวเหมือนเค้นคําพูดออกมาด้วยความยากลําบากพูดออกมาประมาณว่า ผมชื่อสัมเริงไงครับหลวงพี่หลวงพี่ก็บอกไอ้เริงพระสุรินทร์อุทานออกมาเพียงแค่นี้ค่ะก็อ้าปากค้างพูดไม่ออกตัวเย็นเฉียบจะวิ่งหนีก็ลุกไม่ขึ้นแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ตามก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเอ็งเอ็งตายไปแล้วมาหา ห, าหลวงพี่ทําไมไปเถอะเริงพี่รู้แล้วว่าน้องชายมาหาไปเถอะอย่ามารบกวนหลวงพี่เลยพรุ่งนี้จะนิมนต์พระมาบังสกุลให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอเริงคือหลวงพี่ก็พูดไปหลับตาไป ไอเรืองก็เลยบอกว่าก็หลวงพี่บอกให้ผมมาหาจําไม่ได้เหรอตอนที่สับ ป, ประเลอะเปิดฝาลงทําไมจึงขับไล่สายส่งอีกละ่ะหลวงพี่ไม่ต้องกลัวผมหลอกที่ผมมาเนี่ยผมจะมาบอกหลวงพี่เรื่องพระที่หายไปผมเป็นคนเอาพระของหลวงพี่ไปเองวันนั้นผมเมาเหล้าทําพระหลุดมือร่วงลงไปคอหักทั้งสององค์ผมจะนํามาคืนหลวงพี่ก็กลัวหลวงพี่ดุก็เลยเอาผ้าดําห่อแล้วก็นําไปฝังที่โคนต้นโพข้างกําแพงวัดหลวงพี่ไปขุดขึ้นมาด้วย แล้วก็ต่อคอให้ทีที่คอหักผมเป็นห่วงมากผมเจ็บปวดไปทั้งตัวผมจะไปไหนไม่ได้ถ้าหลูงพี่ไม่ช่วยส่งเคราะห์คุณผู้ฟังคะพระที่หายไปค่ะสรุปว่าน้องชายของหนูพี่เนี่ยเป็นคนอาไปก็คือไอเริงนั่นเองเป็นคนที่แบบว่าอาจจะหยิบฉวยไปโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่าวหรือว่าอยากจะได้หรือว่ายังไงก็สุดเหนือประมาณขนาดนับนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย หลวงพี่ท่านก็วางอุเบกขาไว้แล้วนะคะคือเอหายก็หายไปไม่ได้ตามหาไม่ได้อะไรแล้วแหละคือคงจะหาไม่เจอแล้วแหละอะไรประมาณนี้อันนี้หลวงพี่ก็ก็วางอุเบกขาไว้เช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยพ อ, อพระสุรินทร์นะคะได้รู้ว่าน้องชายของตัวเองนี่อยู่ตรงหน้านี่คือน้องชายนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกกลัวนะคะคําขอร้องของสําเริงเนี่ยก็คือรู้โดยตลอดแต่ยังคล่องใจว่ามีอะไรเป็นที่สังเกต และหลวงพี่จะรู้ได้ยังไงว่าเองเอาพระไปฝังไว้ที่ไหนมีอะไรไปที่สังเกตแล้วใีนี้เนี่ยสาเริงก็เลยบอกว่าผมจะเอาซี่ตอกปักไว้ตรงที่ผมฝังพระอย่าลืมนะหลวงพี่ช่วยผมด้วยคือ พ, พอพูดจบค่ะคุณผู้ฟังร่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะคะได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกดังแอบ นะคะหลวงพี่ก็มองตามคือได้ยินแต่เสียงแหละแต่ว่าประตูคื อ, อยังเป็นปกติไม่เคลื่อนไหวแต่ประการใดพร้อมกันนั้นค่ะก็มีเสียงเห่าแล้วก็เสียงหลอนหมูหมาที่วัดไล่ตามหลังวัดไปนะคะไล่ตามหลังแล้วก็ไปทางหลังวัดนะคะพระสุรินทร์กลับเข้ามุ้งพยายามหลับแต่ว่าหลับไม่ลงค่ะก็เลยลุก ข, ขึ้นมานั่งเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปให้สําเริงน้องชายแล้วก็ล้มตัวนอนแต่ว่าตาก็ไม่หลับนะเพราะว่าจิตใจมันคิดสับสนแต่เรื่องราวของสำเริงน้องชายจนกระทั่งรุ่งเช้า เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระสุรินทร์ก็ไม่บอกใครหรอกหลังจากที่ฉันจังหันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะญาติโยมก็กลับกันหมดพระสุรินทร์จะไม่ชวนสิทธ์วัดพร้อมกับเสียมติดมือไปด้วยพอไปถึงโคนต้นโพใหญ่ที่อยู่บริเวณวัดก็เลยสำรวจทั่วบริเวณต้นโพค่ะคือหาซี่ที่ตอกที่สำเร็จทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้อ่ะเจอพอดีเมื่อเจอแล้วก็ให้สิทธ์วัดลงมือขุดไม่ลึกนะัดก็พบกับหอผ้าสีดําเก่าๆ ปรากฏนะคะว่าเมื่อเปิดผ้าออกก็พบพระทั้งสององค์ที่หายไปคือเครื่องพิมพ์นาคปลที่ชำรุดที่เสียนหน้าส่วนพระบูชาหักออกเป็นสามท่อนคือที่คอที่แขนแล้วก็ตรงหัวเขา่าแล้วก็เมื่อเห็นพระอยู่ในสภาพหักเป็นท่อนเช่นนั้นนะคะหลวงพี่ก็เลบเกิดอาการขนลุกทั้งตัวนึกถึงสภาพศพของน้องชายที่หักเป็นสามท่อนเช่นกัน พรสุรินทร์ได้ทำตามที่น้องชายขอร้องทุกอย่างคือนำพระที่ชำรุดไปเชื่อมต่อให้คงสภาพเดิมและนำมาเกตบูชาที่เดิมค่ะจากวันนั้นเป็นต้นมาผีของสำเริงก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะคุณผู้ฟงังหากคุณไม่เชื่อก็อย่าไปท้าทายคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่เนี่ยคือเรียกว่าเจอกันหลายรายแล้วล่ะนะคะที่ไปท้าทายในงานศพ บ, บ้างพูดไปปากวยบอกหากผีมีจริงก็พาไปอยู่ด้วยสิ โอ้ไม่นานค่ะ 2-3 ส, สาวันเห็นผลไม่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตายกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องราวก็เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไม่เชื่อเรื่องราวของผีหรือว่าเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งเล้นลับหรือว่ามองไม่เห็นด้วยตาปล่าไม่เชื่อก็อย่าไปท้าทายดีกว่านะคะ